วันเข้าพรรษาวันที่พิสูจ์สมอาธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นเข้าพันสาเข้าถึงคำเข้าพันสา สมขทรงผู้ทรงศาสตร์ตลอดไตรมาสอยู่จำพันศ า, <ส>าบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวงหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้ย่าได้ประมาณใจไม่คลาดใจ ศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพันษาน้อมพระไว้ในกรมนนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนข้าพันศาเข้าถึางท้า สาปีนี้ทำดีตลอดไรมาตือนเช้าทำบุญตักบาทไม่ขาดแม้เพียงวันเดียว<อ>รักษาศีลนั่งทำมาก<อ>วันพระศีลแปดแน่นเนียวอภัยมุกไม่คล้องไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานข้าพันสาปี ทำนี้ตลอดพันศาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา